สิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าที่พระองค์กัดไว้คือธรรมวินัยตัวธรรม ว, วินัยเนี่ยเป็นตัวแผนองค์พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์แผนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไปนิพพาน